จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาแผ่เมตตา ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นการแผ่เมตตาต้องแผ่ในขณะที่เราอยู่ต่อหน้าผู้อื่นไม่ใช่แผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเช่นเวลาเราไหว้ผ้าสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาสัเพสตาเอเวราหนตุการแผ่แบบ นี้เป็นการซ้อมเป็นการทำการบ้างเป็นการสอนใจให้เตรียมตัวแผ่เมตตาในเวลาที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเช่นเวลาเราอยู่กับผู้คนต่างๆแล้วมีการกระทําอะไรที่อาจจะเกิดความกระทบกระทบกระทั่งเกิดทำทาให้เราเกิดความโกรธ เกิดความเสียใจขึ้นมาเราต้องรีบแผ่เมตตาทันทีเพราะเมตตานี้เป็นเหมือนน้ำที่จะดับไฟความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทที่จะลุบเผาใจเราขึ้นมาถ้าเราเคยซ้อมแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆว่าสัพเพสัตตาอเวราหนตุ สัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรมีกรรมกันเถิดก็หมายถึงว่าเราจะไม่จองเวรจองกรรมเราจะให้อภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องแต่ในขณะที่ถูกเข้าตบหน้าถูกเข้าแย่งสามีไป ถูกเข้าแย่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองออกไปตอนนั้นเราต้องแผ่เมตตาให้ได้เพราะถ้าแผ่ได้แล้วเราก็จะอยู่ในหลักของแพ้เป็นพระชนะเป็นมารได้ผู้ที่แพ้เป็นพระนี้เป็นผู้ชนะเพราะได้เป็นพระได้เป็นผู้ประเสริฐผู้ที่ชนะแต่กลับเป็นผู้แพ้เพราะได้ได้กลายไปเป็นมารไป ตายไปก็จะต้องไปตกนรกส่วนผู้ที่เป็นพระตายไปก็จะไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นเทพเป็นพรหมนี่คือความสำคัญของการแผ่เมตตาสำคัญทั้งสองส่วนทั้งในขณะที่เราอยู่ตามลมพลังและในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่ทำการบ้านไว้ก่อน เวลาเข้าห้องสอบเราก็จะสอบตกเราจะทำไม่ได้เวลาถูกใครเขาทำร้ายเราเราจะต้องเกิดความโกรธแค้นขึ้นมา ท, าทันทีเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมา ท, าทันทีเกิดไฟนรกเผาผลาญจิตใจของเรา ท, าทันทีถ้าเราไม่มีไม่ได้ซ้อมความแผงการแผนเมตตา ม, มาก่อนเราก็จะกลายเป็นมารไป เราก็จะไปทำร้ายเขาและอาจจะทำร้ายเขามากกว่าที่เขาทำร้ายเราซีแทนที่เราจะดีเรากับแย่กับเขาเรากับเลวกับเขาเพราะว่าเราไม่มีความเมตตานั่นเองเังั้นการแผ่เมตตาต่อหน้าผู้ที่เขากลังทำร้ายเราอยู่นี้ไม่ได้เป็นการกระทำของคนโง่ แต่เป็นการกระทำของคนฉลาดเพราะคนโง่จะมองแต่สิ่งภายนอกเช่นสมบัติข้าวของเงินทองหรือร่างกายของตนแต่คนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะมองข้างในคือมองที่ใจเป็นสำคัญเพราะไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับใจใจนี่แหละเป็นที่ตั้งของความสุข และของความทุกข์ที่แท้จริงใจนี้แหละเป็นที่ตั้งของความเจริญและความเสื่อมที่แท้จริงใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะต้องเป็นที่ตั้งของนรกของสวรรค์อยู่ที่ใจและอยู่ที่การกระทำของใจถ้าถท า, า, าทาด้วยความเมตตาใจก็จ ะ, <S <S จะเจริญ ใจก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาภายในใจถ้าใจขาดความเมตตาไม่สามารถยุติความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทได้ใจก็จะกลายเป็นนรกขึ้นมาแล้วถ้าไปทำร้ายผู้อื่นก็จะต้องไปเกิดนาบายตามลำดับต่อไปในขณะเดียวกัน ใจก็จะมีความรุ่มร้อนกินไม่ได้หนอนม่หลับแต่ถ้าสามารถแผ่เมตตาได้ใจก็จะเย็นใจสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะความจริงสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วเขาด่าเรามันก็ผ่านไปแล้วเขาตบหน้าเราเขาก็ผ่านมันก็ผ่านไปแล้วเขาเอาทรัพย์ของเราไปมันก็ผ่านไปแล้ว เรามาโกรธก็ไม่ได้ทำให้เราได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาทำให้เราต้องเจ็บสองสองชั้นเจ็บภายนอกแล้วเสียภายนอกแล้วต้องมาเสียภายในคือเสียใจความเสียใจนี้ก็คือความทุกข์ทรมานใจนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาส น, นิกชนแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรากราบพระไววหว้พระสวดมนต์เท่านั้นควรจะซ้อมอยู่เรื่อยๆทุกเวลานาทีเป็นเหมือนกับการเจริญสติถ้าเราแผ่เมตตาซ้อมแผ่เมตตาได้เรื่อยๆเราจะมีสติเราจะควบคุมจิตใจของเราได้เวลาเกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาเราก็จะสามารถหยุดได้ การแผ่เมตตานี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งการเจริญสตินี้เราเคยได้ยินว่าให้พุโทโธพุธโทโธไปนี่ก็เป็นแบบหนึ่งหรือให้เรากำหนดรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นี่ก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งหรือเวลาที่เรานั่งหลับตาแล้วเรากำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าออกเหล่านี้ก็เป็นการเจริญสติ ดูลมก็เรียกว่าอานาปณะสติดูร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติถ้าเราแผ่เมตตาก็เรียกว่าเมตตาภาวนานี่คือการการมาสร้างเมตตากรุณามุริตาและอุบเบกขา เราต้องสร้างทั้งสองแบบทั้งในขณะที่เราอยู่ตามลำพังไม่อยู่ในเหตุการณ์เราก็พยายามสอนว่าเราจะไม่จองเวรใครเราจะให้อภัยเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเหวนีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสารยาเมา เพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราไม่ต้องการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราต้องการสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นเราก็จะทำบุญทำทานมีอะไรที่เราพอที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นได้มีอะไรที่เราพอจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้เราก็ยินดี เพราะเรารู้ว่าสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราเก็บไว้เฉยๆไม่นําเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่ถ้าเรามาเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ใจของเราก็จะมีความเมตตา ความเมตตานี้เป็นใจของเทพของพรหมเป็นนิสัยของเทพของพรหมการแผ่เมตตาด้วยการแบ่งปันนี้ก็จะเป็นการสร้างเทพสร้างพรหมขึ้นมาภายในใจสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นมาภายในใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็จะมีความล่มเย็นเป็นสุขในขณะที่ตายไปก็จะได้ไปสู่สุขติ นี่คืออ น, นิสงหรือผลของการแผ่เมตตาเอาจงควรพยายามทำกันให้มากทำกันตลอดเวลานอกจากเมตตาแล้วท่านก็สอนให้เราแผ่เจริญหรือแผ่ความการุณาด้วยความการุณานี้ก็คือความสงสารถ้าเราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ ก็ควรที่จะช่วยเหลือกันไปก็จะทำให้จิตใจของเรานี้สูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆความกรุณานี้ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้ามีเหตุการณ์ที่มีผู้คนเดือดร้อนเช่นในช่วงน้ำท่วม พวกเราก็แผ่ความกรุณากันด้วยการบริจาคข้าวของเงินทองให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนเดือดร้อนจิตใจของเราก็จะมีความสุขจิตใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมานั่นเองนอกจากความกรุณาแล้วท่านก็สอนให้เราแผ่ความมุดิตาจิตมุดิตาก็คือ ความยินดีความชื่นชมในความสุขในความเจริญในการกระทำความดีของผู้รู้เวลามีใครเขาทําความดีเราควรที่จะสแสดงมุลิตาจิตคือชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญอย่าไปตําหนิตีเตียนหรืออย่าไปขัดขวางการกระทําความดีของผู้รู้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ตามเช่นเห็นผู้อื่นเขาทำบุญแต่เราไม่ชอบทำบุญเราก็อย่าไปขัดขวางการกระทำาการทาบุญของผู้อื่นการทำบุญนี้ได้บุญเสมอไม่ว่าจะทำกับใครก็ตามถึงแม้จะถูกหลอกลวงให้ทำแต่ถ้าทำโดยมีเจตจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ได้บุญเหมือนกัน เพราะบุญไม่ได้อยู่ที่ผู้รับบุญอยู่ที่ผู้ให้ผู้ให้อาจจะเป็นเป็นมิจฉาชีพมาหลอกลวงเช่นแต่งกายปลอมเป็นพระเป็นชีแล้วก็เอาบากมาเรียรายเงินทองผู้ที่ให้นั้นถ้าให้ด้วยความเจตนาดีคืออยากจะทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาอยากจะสงเคราะห์ พระศาสนาก็ใส่ไปถึงแม้ว่าเงินนั้นจะไม่ได้ไปใช้ดังที่ได้แจ้งไว้ก็ตามแต่ผู้ที่ให้นั้นก็ได้บุญแล้วคือความสุขใจความกรุณาได้ความเมตตาได้ความกรุณาได้สวรรค์ขึ้นมาภายในใจได้คลายความตนีคลายความเห็นแก่ตัวคลายความยึดติด ในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแต่ถ้ามาทราบภายหลังว่าเขาไม่ได้เอาไปก็ต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาคือคิดเสียว่าเป็นเรื่องของกรรมของศัตไปใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้เชื่อค่าวหน้าถ้าเขามาเรียลัยอีกเราก็ไม่ต้องทําอีกแล้วเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ทําตามที่เขาบอกเรา ถ้าเราอยากจะทำบุญกับพระพุทธศาสนาเราก็เก็บเงินเอาไว้ก่อนแล้วเวลามีโอกาสไปวัดที่เรามีความศรัทธาความเคารพความเชื่อมั่นว่าเป็นเป็นวัดที่จะทารูปบำรุงพระพุทธศาสนาจริงๆเราค่อยเอาไปทำบุญกับวัดนั้นต่อไปก็ได้เวลาใครก็ามาเรื่อยรา ไม่จำเป็นจะต้องให้เขาไปไม่บาปแต่อย่างใดการที่มีผู้ที่มาเรียกรายแม้แต่จะเป็นพระจริงหรือแม่ชีจริงก็ไม่บาปเพราะโดยหลักพระวินัยแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้พระเรียรายไม่ให้ขอแก่ผู้ที่เขาไม่ได้เป็นญาติหรือไม่ได้บอกบอกตัวไว้ก่อนว่าถ้าต้องการอะไร ก็ขอได้ถ้าเขาไม่ได้บอกไปขอนี้ผิดกฎของพระขอไม่ได้แต่พระก็มีอุบายได้ออกอุบายได้เช่นญาติโยมมาทำบุญที่วัดก็อาจจะพูดถึงสภาพของวัดให้ฟังว่าตอนนี้ศาลาหลังคามันรั่วเวลาฝนตกเรื่องว่าเดี๋ยวนี้ ค่าน้ำค่าไฟไม่ค่อยพอพูดได้แต่ขอไม่ได้ขอบอกว่าขอให้ญาติโยมช่วยซ่อมศาลาอย่างนี้พูดไม่ได้หรือขอให้ช่วยบริจาคเงินเพื่อมาจ่ายค่าน้าค่าไฟอย่างนี้พูดไม่ได้ไม่เหมือนกันเวลาบอกบุญนี้บอกด้วยอุบายอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้บังคับกันพูดให้รู้เท่านั้นเอง คนที่ฟังถ้าเขามีศรัทธาก็มีความเมตตาการุณาเขาอยู่ในฐานะที่พอที่จะช่วยเหลือได้เขาก็จะช่วยเองแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะหรือเขากำลังลาบากถึงแม้เขาอยากจะช่วยเขาช่วยไม่ได้เขาก็จะไม่อึดอัดใจไม่รู้สึกว่าถูกถูกขอร้องแล้วไม่ได้รับการไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ก็อาจจะคิดว่าไม่มีความเมตตาหรือกรุณาแต่ความจริงมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําได้เท่านั้นเองชาวพุทธเราเวลาทําบุญนี้ก็ต้องมองตัวเราด้วยมองฐานะของเราด้วยว่าเราทำแล้วทำให้เราตัวเราเดือดร้อนหรือเปล่าหรือทําให้คนที่เขายังต้องพึ่งพาอาศัยเราเดือดร้อนหรือเปล่า ถ้าเดือดร้อนนี้เราอย่าเพิ่งไปทำรอไว้ก่อนก็ได้เพราะการทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำในส่วนที่เรามีเหลือเกินเกินเกินความจำเป็นในส่วนที่เราไม่ต้องใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์ส่วนนั้นท่านให้เอามาทาได้แต่ส่วนที่เราต้องเก็บเอาไว้เพื่อดูแล ตัวเราเองก็ดีหรือครอบครัวของเราก็ดีหรือคนที่เรามีความรับผิดชอบด้วยก็ดีเราอย่าเอามาทำบุญเพราะว่าจะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาการทำบุญนั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครทงนั้นแม้ผู้กระทำเองก็ไม่ควรที่จะทำแล้วตนเองเดือดร้อนเช่นอยากจะทำสงสาร อยากจะมาซ่อมศาลาให้ไม่มีเงินก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาก่อนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทาบุญเป็นการสร้างความทุกข์เป็นอกุศลการทาบุญเราต้องรอบข้อต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็ต้องใช้ทำข้อที่สี่คืออุเบกขาต้องเจริญอุเบกขาด้วยว่ามันบางอย่างก็เป็นเรื่องของสุดวิสัย เราไม่สามารถทําได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นบุญเป็นกรรมของวัดนั้นไปถ้าวัดนั้นมีบุญเดี๋ยวก็มีคนมาดูแลรักษาซ่อมแซมให้เองถ้าวัดนั้นไม่มีบุญก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะนี่คือเรื่องของการสร้างคุณธรรมที่จําเป็นที่จะรับคุ้มครองรักษาให้ชีวิตจิตใจ ของเรานั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเวลาที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมถ้าสังคมทุกคนในสังคมมีเมตตากราุณามุดิตาอุเบกขาสังคมจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะจะมีความเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการให้อภัยกันไม่เบียดเบียนกันมีการชื่นชมยินดีในความดี ของผู้อื่นจะไม่มีการอิจฉาริษยากันแล้วก็จะมีความสงบนิ่งในเหตุในกรณีที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็จะนิ่งไม่มาตีโพยตีพายไปว่าคนนั้นว่าคนนี้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยของเราที่เราจะทำอะไรได้ เราก็ต้องปล่อยวางไปอย่ามาทุกข์มาเดือดร้อนไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสีประการนี้แล้วใจของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติอย่างแน่นอน <c oughs> นี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตากรุณามุมตตาและอุเบกขา เราต้องทำควบคู่กันไปทั้งในขณะที่เราอยู่ตามลาพันและในขณะที่เราอยู่ในสังคมอยู่ในเหตุการณ์จริงเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรจะใช้อะไรบางครั้งก็ใช้เมตตาบางครั้งก็ต้องใช้การณาบางครั้งก็ต้องใช้มุติตาบางครั้งก็ต้องใช้อุเบกขา <c oughs> เหมือนกับขับรถเราต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์ ถ้ารถวิ่งชา้าก็ต้องใช้เกียร์ต่ำพอรถวิ่งเร็วขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เะนั้นรถก็จะวิ่งไปไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นไปไม่ได้และเมื่อถึงเวลาจะต้องหยุดก็ต้องหยุดถึงเวลาจะต้องเข้าเกียร์ว่างก็ต้องเข้าเกียร์ว่างถ้ารู้จักขับรถรู้จักเปลี่ยนเกียร์รถก็จะวิ่งไปได้อย่างปลอดภัยไม่มีอุปสรคไม่มีอุปัติเหตุ ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกันกันก บ, กบกับการขับรถยนต์ชีวิตของเรานี้จะต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆหลากหลายด้วยกันดังนั้นการใช้คุณธรรมทั้ง4ประการนี้ก็มีความจําเป็นอย่างเมตตานี้ก็เป็นความจําเป็นแบบพื้นฐานเวลาเราพบกับพบปากกับใครนี้ควรจะมีเมตตาไว้ก่อนคืออย่างน้อยก็มีความไม่ตรีจิต มีความปรารถนาดีต่อคู่เวลาเจอกันก็ทักทายกันได้ถ้าในกรณีที่ทักทายกันไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาแทนตา่ตางคนต่างเฉยกันไปถ้าเกิดยังมีอารมณ์ที่ไม่ดีต่อกันแลวไม่สามารถใช้เมตตาได้ก็ให้ใช้อุเบกขาไปไม่ใช่พอเจอกันก็ด่ากันทุบตีกันเลย ถ้าเราไม่สามารถแผ่เมตตาได้อย่างน้อยก็ให้เราใช้อุเบกขาให้เราเข้าเกียร์ว่างไว้อย่าเข้าเกียร์หนึ่งวิ่งชนกันเวลาเจอคนที่ไม่ชอบที่หน้ากันบางทีปดไม่ได้เจอกันแล้วก็จะเหมือนกับสุนัขเข้ากับกันเลยถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากสุนัขมนุษย์กับสุนัขหรือมนุษย์กับเดรัจฉานี้มีความต่างกันตรงที่ มนุษย์นี้สามารถสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ส่วนเดรัชานี้ขาดปัญญาที่จะสอนให้รู้จักคุณค่าของของคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ศาสตร์เดรัชานจึงไม่มีเมตตากรุณาโมริตาอุเบกขาเขาจะใช้พลังอย่างเดียวเขาจะใช้กำลังอย่างเดียวทำตามอารมณ์ถ้าอารมณ์โกรธ ก็จะทำร้ายผู้อื่นถ้าเกิดอารมณ์คล้ายก็จะต้องไปเบียดเบียนคู่ครองของผู้อื่นเราจะไม่สนใจว่าเป็นคู่ครองของใครหรือไม่แต่มนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีปัญญาที่สามารถแยกแยะความผิดความถูกความดีความชั่วดได้จึงสามารถที่จะเจริญคุณธรรมคือความเมตตากรุณา มดิตาอุเบกขาได้สังคมของมนุษย์จึงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและปลอดภัยมากกว่าสังคมของเดรฉ า, านแต่ถ้าสังคมใดถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ถ้าขาดคุณธรรมทั้ง4ประการนี้สังคมนั้นก็จะไม่ต่างจากสังคมของเดราชาณ์เท่าไราะจะมีการทำร้ายกันมีการฆ่ากันมีการชิงทรั ป้นจี้กันมีการประพฤติผิดประเวณีมีการโกหกหลอกลวงมีการเสพสรายาวกันถ้าเราอยากจะวัดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม <c oughs> ก็ขอให้เราวัดดูที่คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ความเจริญของสังคมนี้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุข้าวของเงินทองสังคมใดที่มีความเจริญด้วยข้าวของเงินทองและวัตถุนี้ มักจะเส่อมทางด้านจิตใจเพราะว่ามันเป็นการสวนทางกันการเจริญทางด้านวัตถุนี้เกิดจากความโลภเกิดจากความหลงแล้วก็ทำให้เกิดความโกรธเกิดความเกลียดกันขึ้นมาเพราะเวลามีความโลภแล้วอยากได้อะไรก็จะต้องแก่งแย่งชิงดีกันผู้ที่ได้ไปก็จะสร้างความโกรธความเกลียด ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ไปสังคมที่เจริญทางด้านวัตถุจึงเป็นสังคมที่ไม่สงบอยู่กันอย่างเดือดร้อนกันอยู่กันด้วยความหวาดกลัวกันอยู่กันอย่างไม่ปลอดภัยแต่สังคมไหนที่มีความเจริญทางด้านจิตใจจะมกจะไม่เจริญทางด้านวัตถุกัน เช่นในสมัยพระพุทธเจ้านี้เป็นสังคมที่เจริญทางด้านจิตใจบุคคลผู้คนนี้จะมีความเมตตากรุณามีมุริตาอุเบกขากันมากจึงไม่ค่อยเจริญทางด้านวัตถุเท่าไหร่แต่สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุทเพราะคนมีจิตใจที่งามนั่นเองสวยงามที่จิตใจนี้สำคัญกว่าความสวยงามที่ร่างกาย ความสวยงามที่ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงร่างกายสวยงามแต่จิตใจอาจจะโหดร้ายทารุณก็ได้แต่ถ้าร่างกายไม่สวยงามแต่จิตใจดีก็เป็นจิตใจจะเป็นจิตใจที่น่าชื่นชมยินดีน่าเคารมนับถืออย่างพวกเรากราบว่าพระภิกษุก็เพราะว่าจิตใจท่านงาม ร่างกายท่านไม่งามศีรษะท่านโลนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามไวสมส้สวมใส่แต่ท่านสวยงามด้วยศีลธรรมท่านสวยงามด้วยคุณธรรมท่านมีเมตตากรุณามุนิตาอเุเบกขาเวลาใครเดือดร้อนหนีภัยก็มักจะมาที่วัดกันเพราะว่าวัด น, นี้เป็นเขตอภัยทานนั่นเองเคยเป็นเขตที่ไม่มีการเบียดเบียนกัน แม้ว่าจะโกรธแค่โกรธเคืองกันมาอย่างไรพอมาอยู่วัดก็ให้อภัยกันเช่นในอดีตมีนักการเมืองที่ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศพออยากจะกลับมาอยู่ประเทศไทยเ็าบวชเป็นพระบวชเป็นเอ็นพอมาอยู่วัดก็ไม่มีใครเขาตามมาเอาเรื่องมาวา น, นี่คือเรื่องของความเมตตากรุณามุริตราอุเบกขา เป็นเครื่องค้ำจุนโลกเมตตานี้เป็นเครื่องค้ำจุนโลกโลกเราจะอยู่กันอย่างสุขอย่างเจริญนั้นต้องมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แต่ถ้าโลกเราขาดคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วโลกเราก็จะเสื่อมลงไปเข้าสู่ยุคของมิจฉาสินีซึ่งเป็นยุคที่ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้วว่าจิตใจของมนุษย์เหล่านี้จะเสื่อมลงไปเรื่อย ความเมตตากรุณาุมิตาอุเบกขาจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆสังคมจะกลายเป็นสังคมที่ต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนจะต้องพกพาอาวุธกันจะเห็นคนนี้เป็นเป็นศัตรูกันเจอกันที่ไหนก็จะต้องฆ่ากัน ท, ทันทีและในที่สุดสังคมนี้ก็จะฆ่ากันเองจนตายไปหมดคนที่เป็นคนดีที่มี ความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาจะหลบหลีกห น, นีออกจากสังคมไปอยู่ตามป่าตามเขาตามชนบทปล่อยให้คนที่มีความโหดร้ายทารณุณมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในอยู่ในบ้านเมืองต่อสู้กันฆ่ากันทำลายกันพอเขาฆ่ากันตายกันหมดแล้วผู้ที่อยู่ผู้ที่มีจิตใจ ที่เมตตากรุณามุริตาอุเบกขาก็จะออกมาจากป่าออกมาจากชนบทเพื่อกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาใหม่สังคมก็จะกลับเจริญขึ้นมาใหม่แล้วต่อไปก็จะมีพระพุทธเจ้ารูปใหม่ออกมาตรัสรูต้ต่อไปนี่คือเรื่องของความเจริญและเสริมของสังคมของโลกเป็นอย่างนี้มาทุกมาตลอดเวลา จะมีการเสื่อมถึงขีดต่ำสุดแล้วก็จะเริ่มเจริญกลับคืนขึ้นมาใหม่จนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะเริ่มเสื่อมลงไปใหม่อีกเช่นของเรานี้ก็จเจริญสูงสุดในยุคของพระพุทธเจ้ายุคนั้นมีผู้ทาบุญให้ทานมากมีผู้ปฏิบัติธรรมมากมีผู้รักษาศีลมากมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากแต่พอมาถึงยุคเราแล้ว จำนวนที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมก็มีน้อยลงไปตามลำดับแล้วก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปวิตกกังวลเพราะเป็นเรื่องธรรมดา ของโลกที่ต้องเป็นอย่างนี้เราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปหวาดกลัวอย่าไปทุกข์ทรมานใจจนไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะว่าเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าจิตใจของเรามีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาถึงแม้ว่าสังคมรอบตัวเราจะแต่งไปด้วย ความโกรธความเกลียดความโลภความหลงก็ตามแต่ถ้าใจเรามีคุณธรรมเราจะมีเกาะคุ้มกันภัยต่างๆไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราดังนั้นเราอย่าไปมองภายนอกอย่าไปเห็นว่าเขาโลภเขาโกรธเขาหลงแล้วเราต้องโลภโกรธหลงตามเขาเพราะถ้าทำอย่างนั้นเราก็จะตกนรกตามเขาไป แต่ถ้าเรามองว่าเขาอยากจะตกนกรกก็เรื่องของเขาแต่เราจะไม่ตกนรกไปกับเขาเราจะขึ้นสวรรค์เราจะเจริญเมตตากรุณามุญิตาอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาลวเรารับรองได้ว่าเราจะอยู่ในสวรรค์ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วจึงขอฝากเรื่องของการบอกวันเพื่อมาแผ่เมตตากรุณามุญนิตาอุเบกขา ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็แห่งว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพศีลัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แค่คาปลอดภัยยากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ